ถามเมื่อคืนฝันว่าคุณยายเสียตื่นขึ้นมากลางดึกกังวลใจมากแถมพอหลับลงไปก็ฝันต่อว่าเสียรถอีกทั้งสองความฝันสมจริงสมจังเลอเกินอันนี้เป็นลางดีหรือลางร้ายครับ ไม่มีตำราฝันใดระบุได้ละเอียดขนาดฝันว่าเสียายายหมายถึงอะไรและยิ่งท่าในคืนเดียวกันฝันว่าเสียรถเข้าไปอีกเมื่อนำมารวมกันคงต้องถอดรหัสกันซับซ้อนน่าดูถอดไปถอดมาอย่างมากก็คงลงเอยเป็นถอดใจแล้วเหวี่ยงแหให้ไปอยู่ในหมวดสูญเสียบุคคลและของรักของห่วงเท่านั้นฝันจะบอกอนาคตอย่างไรก็ไม่รู้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 มันฟ้องถึงใจที่เอาแต่ยึดมั่นถือมั่นอย่างไม่เป็นสาระแม้ฝันผ่านไปแล้วก็ยังเก็บมาเป็นกังวลได้เห็นอย่างนี้คุณจะยึดมั่นถือมั่นน้อยลงจิตใจโปร่งโล่งขึ้นและนี่อาจเป็นก้าวแรกๆที่พาให้เข้าใจตลอดจนเข้าถึงแก่นของพุทธศาสนาได้จิตนี้ใจนี้ไม่มีอะไรมากหรอกครับยึดติดหลงติด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 พอนานเดือนนานปีเข้าโซก็ขาดเองโดยไม่ต้องใช้กําลังให้เหนื่อยมากเลยครับร่างหนึ่งถึงนอนลับไหลกับอีกร่างกายเธในความฝันเธอเป็นใครในนั้นฉันลืมว่าเธอเป็นคนอีกคนเรื่องราวเธในความฝันอาจเรียงร้อยกันจันดูสับซอน จำลองควาใจมีหรือรายสอนเอาไว้คน